พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองอากังเขยยสูตรว่าด้วยความหวังสิบเจ็ดประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีทรงแสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุ ด, ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปฏติโมกสมบูรณ์อยู่ จงสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียร พ, พร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายคำว่าอาจาระหมายถึงความไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาและทางใจความสำรวมระวังในศีลทั้งปวงและความที่ภิกษุไม่เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาอาชีวะ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 ภิกษุผู้ประกอบด้วยอาจาระและโคจรดังกล่าวมานี้ชื่อว่าผู้เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรหากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรมมารีทั้งหลายภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบภายในตน ไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มภูนเรือนว่างสำหรับคําว่าเพิ่มภูนเรือนว่างในที่นี้หมายถึงการเรียนกรรมฐานหรือสมถะละวิปัสนาเข้าไปสู่เรือนว่างนั้นพิจารณาอยู่ตลอดคืนและวันแล้วบําเพ็ญอธิจิตติกขาด้วยสมถะกรรมฐานบําเพ็ญอธิปัญญาสิกขา ด้วยวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาหมายถึงอนุปัสสนาเจ็ดประการคือ 1. นอนิจจานุปัสสนาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยง 2. ทุกขานุปัสสนาพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ 3. อนัตตานุปัสสนาพิจารณาเห็นความไม่มีตัวตน 4. นิพพิทานุปัสสนาพิจารณาเห็นความน่าเบื่อหน่ายห้าวิราคานุปัสสนาพิจารณาเห็นความคลายกำหนัด 6. นิโรทานุปัสสนาพิจารณาเห็นความดับ ก, กิเลสเจปณิสักคานุปัสสนาพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งกิเลสพระผู้มีพระภาพ ตรัถึงความหวังต่างๆของภิกษุดังนี้หากภิกษุหวังว่าเราพึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริคานหวังว่าเราพึงบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริคานของชนเหล่าใดขอสักการะของชนเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสง์มาก ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูนเรือนว่างหากภิกษุหวังว่าญาติสาโลหิตเหล่าใดผู้ล่วงลับไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราอยู่ขอการระลึกถึงเราของญาติสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสงฆ์มาก ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูณเรือนว่างหากภิกษุหวังว่าเราพึงข่มความไม่ยินดีในกุศลธรรมและความยินดีในกามคุณห้าอันหนึ่งความไม่ยินดีไม่พึงครอบงำเราเราพึงครอบงามย่ำยีความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นอยู่ ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทมเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูนเรือนว่างหากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเอาชนะความขลาดกลัวอันหนึ่งความกลาดกลัวไม่พึงครอบงำเราเราพึงเอาชนะครอบงำย่ำยีความกลาดกลัวที่เกิดขึ้นอยู่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 ภิกษุนั้นพึงทาศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทมเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูณเรือนว่างหากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุวิโมกข์ที่สงบเป็นอรูปฌานเราก้าวลวงรูปราวจรฌานด้วยนามากายภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์ มันประกอบธรรมเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูนเรือนว่างหากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำข้อนี้หมายถึงไม่ตกไปในอบายสีคือนรกกำเนิดสัตว์ดิรัจานแดนเปรตและพวกอสูร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 หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นพระสกทาคามีเราะสังโยชนสามประการสิ้นไปและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเราทำที่สุดแห่งทุกข์ได้พึงหวังว่าเราพึงเป็นอบปติกักในที่นี้หมายถึงพระอนาคามีที่เกิดในสุทธาวาสเพราะโอรัมภากิยาสังโยชนห้าประการสิ้นไปบริณิพานในพรโมโลกนั้น ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุนั้นพึงทาศีลให้บริบูรณ์มันประกอบธรรมเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูณเรือนว่างภิกษุทั้งหลายหากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้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 ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ภิกษุนั้นพึงทำศีลให้บริบูรณ์มันประกอบทำเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างหากพิกษุพึงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือหนึ่งเสียงทิพย์สองเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้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 มันประกอบทำเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสนาเพิ่มภูนเรือนว่างหากภิกษุ พ, พึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้าง3า5สี่ห้าชาติบ้างสิบ0 30 40สี่สบชาติบ้างห0สบชาติร้อยชาติพันชาติ แสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีตระกูลมีวันณะมีอาหารสวยสุขทุกขและมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนัน้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนัน้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารสวยสุขทุก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 ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทย์อันบริสุทธ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แหละภิกษุนั้นพึงทาศีลให้บริบูรณ์มันประกอบธรรมเครื่องสงบภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูณเรือนว่างภิกษุทั้งหลาย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 เข้าไปสู่เรือนว่างนั่งพิจารณาอยู่ตลอดคืนและ ว, วันแล้วบำเพ็ญอธิจิตตดสิกขาด้วยสมถกรรมฐานบำเพ็ญอธิปัญญาสิกขาด้วยวิปัสสนากรรมฐานภิกษุทั้งหลายเราเห็นประโยชน์จึงกล่าวว่าเธอทั้งหลายจงมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์อยู่ จงสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร อ, อยู่จงเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละ จบอาการเค ย, ยะสูตรพระสูตรที่6จากพระไตรปิฎกเล่มที่12